พระสูตรนั่นนะสอนให้เรานํากิเลสออกสอนให้เราฆ่ากิเลสแม้เล็กแม้น้อยที่มันจะเกิดขึ้นมาก็อย่าไปดูหมิ่นมันว่าไม่เป็นไรแต่พระพุทธเจ้าท่านรู้ว่ากิเลสเหล่าเนี้เนี่ยมันสั่งสมไปแล้วเนี่ยมันก็จะให้โทษเพิ่มพูนขึ้นมาได้มาก เพราะฉะนั้นท่านจึงได้จัดให้ต้องฆ่ามันนะฆ่ามันอย่างไรก็ด้วยวิธีที่เข้าไปรู้จักมันนั่นเองเข้าไปรู้กำหนดรู้ไอสภาวธรรมเหล่านี้ตามความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นสภาวธรรมนี้มันมีลักษณะที่เราจะรู้ได้ตัณหาเนี่ยเรารู้ได้เพราะมันยึดติดในอารมณ์มีลักษณะอย่างด้าน นำทุกมาให้เป็นหน้าที่ของมันอย่างนี้นะเรากําหนดรู้มันได้รู้ไปเทีเรียกเทียน้อยเนี่ยรู้ไปเรื่อยๆมันเกิดอยู่ในชีวิตมันไม่ได้เกิดนอกชีวิตถ้าเกิดนอกชีวิตเราจะไปตามดูไม่ได้แต่นี่มันอยู่ในชีวิตนี่เองก็ต้องคอยรู้จักคอยรู้อยู่เรื่อยละแล้วจะได้เห็นความจริงของมันซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างมันก็แสดงความจริงอยู่แล้ว แต่เพราะอาวิชชาปิดบังเพราะไม่ได้ฟังธรรมก็จึงไม่รู้เราจะเห็นได้เลยว่าพระธรรมํำลังสอนของสมมาจารยพุธเทธเจ้าสอนให้เรารู้นะรู้ทุกรอบด้านนะรู้รอบด้านนะรู้ข้อปฏิบัติเพื่อจะทำให้กิเลสมันหมดไปรู้จักตัวกิเลสที่เป็นยังไงแล้วทาทุกข์มาให้อย่างไรต่อไปนี้จะนำ พระสูตรต่อมานะที่เกี่ยวกับพระมาหากัสปะมาแสดงต่อในกุลูปะสูตรว่าด้วยการเข้าไปสู่สกุลของภิกษุบางพวกพระศาสดาประทับอยู่ณพระเชตวันได้ตัดเรียกภิกษุทั้งหลายแล้วถามภิกษุว่าพวกเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉไหนภิกษุชนิดไลควรเข้าไปสู่สกุลภิกษุชนิดไลไม่ควรเข้าไปสู่สกุล ถามพระภิกษุว่าประพฤติสมควรอย่างไรจึงจะเข้าไปบ้านเขาประพฤติไม่ดียังไงจึงไม่ควรเข้าไปภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทมทั้งหลายของพวกข้าพระองค์นั้นมีพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นรากฐานมีพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้นำมีพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นที่พึ่งอาศัย แต่พระองค์ผู้เจริญขอให้เนื้อความแห่งภาสิทธนั้นจงแจ่มแจ้งกับพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิดพิกษุ์ทั้งหลายได้สดับต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจากทรงจำไว้ดังนี้เนี่ยคำอย่างนี้มันต้องอยู่ในใจของพุทธบริษัทคําถามอะไรเกิดขึ้นในใจเราหรือได้ยินใครเขาถามจะต้องคิดเลยว่าโอ้คาตอบนี้พระเจ้าตอบไว้ว่าอย่างไรนะแสดงไว้อย่างไรที่ไหนเพราะว่าพระองค์เป็นรากฐานของชีวิตเรา ปัญญาของพระองค์เนะ่ะจะให้คําตอบคือให้อวิชชาของเราเนี่ยมันมันหมดไปถ้าได้ไอเรามันไม่รู้นี่จะต้องอาศัยพระปัญญาพระพุทธเจ้าไม่ใช่ไปตัดสินเราเองตอบเอาเองหรือว่าไปอาศัยคนอื่นไปอาศัยคนอื่นแทนพระพุทธเจ้าก็เป็นอันว่าเราไม่นับถือท่านจริงนะแต่พระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่ ให้คำตอบชีวิตไว้หมดแล้วเราไม่ถามท่านเองหรือไม่ไปหาคําตอบจากท่านเองก็ไม่ได้ประโยชน์จากการมานับถือศาสนานี้เ น, นื้อความต่อมามีว่าพราะมิวภาคเจ้าได้ตรัส ด, ดังนี้ว่าดูก่อนพิกษุ์ทั้งหลายถ้าภิกษุรูปใดรูปหนึ่งรูปหนึ่งมีความคิดอย่างนี้ว่าความคิดของความโลภเนี่มันคิดมันเจ๋งๆทั้งนั้นอ่ะขอชนทั้งหลายจงให้แก่เราเท่านั้นอย่าไม่ให้ จงให้แก่เราให้มากอย่าให้น้อยจงให้เราแต่สิ่งประนีตเท่านั้นอย่าให้สิ่งเศร้าหมองจงให้เราโดยเร็วพลันทีเดียวอย่าให้ช้าจงให้เราโดยความเคารพเท่านั้นอย่าให้โดยความไม่เคารพแล้วเขาเข้าไปสู่สกุลภิกษุทั้งหลายถ้าเมื่อภิกษุนั้นมีความคิดอย่างนี้เข้าไปสู่สกุลชนทั้งหลายไม่ให้ภิกษุก็ย่อมอึดอัดเพราะข้อนั้น ก็โกรธนะไม่พอใจมันมีลักษณะพองโทศมันเกิดก็อึดอัดใจเธอย่อมได้เสวยทุกขโทมานัทซึ่งมีข้อนั้นเป็นเหตุคือชนทั้งหลายให้น้อยไม่ให้มากอย่างนี้ก็อึดอัดแล้วโกรธแล้วขัดเคืองแล้วให้ช้าไปให้โดยไม่เคารพเนี่ยให้ของเศร้ามอง ก็ได้เสวยทุกเป็นเหตุอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นภิกษุอย่างนี้แล้วไม่ควรเข้าไปสู่ส ก, กุลไม่ควรเข้าไปเพื่อไปขอบิดาบาตเขาก็ความจริงพวกควรจะเป็นอย่างนั้นถ้าหากว่ามีขอทานมาที่บ้านเราแล้วบอกว่าต้องให้ของเท่านี้นะให้เร็วๆด้วยนะให้แล้วต้องเคารพเราด้วยนะให้น้อยก็ไม่ได้ให้เราจะให้ก็ไม่เนี่ย มีขอทานมาเชอกันแล้วก็บอกเสร็จเลยว่าต้องเอาเท่านี้เท่านี้เอาอย่างนี้อย่างนี้อย่งนี้คงไม่มีใครให้เลยนี่บั่นท้ายถ้าภิกษุคิดอย่างนี้เราก็ว่าเราจะไปต้องการของอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้น่ะมันเป็นเหตุที่ทําให้เราจะได้รับความทุกข์เองคือโลภะนั่นแหละคิดแล้วเราจะได้ทุกข์เองก็มันสมบัติของเราที่ไหนแล้ว บินบาบดีก็ดีจีวรก็ดีมันของเราเลยที่จะได้ไป็เลือกเนาว่าต้องให้ของดีต้องให้มากๆต้องให้เร็วๆต้องให้ด้วยความเคารพมันก็ไม่ใช่ของเรามันยังเป็นของเขาอยู่เขาจะให้อย่างไรมันก็เรื่องของเขาไปบังคับก็ได้ยังไงแต่เพราะเห็นไอ้โลภะมันชอบบังคับมาต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อมันไม่ได้มันก็เกิดความโกรธเพราะนั้นภิกษุอย่างนี้ไม่ควรเข้าไปสู่สกุล แล้วถึงภิกษุที่เวลาจะให้เขาก็เหมือนกันเราจะให้ได้ไหมนะเราอยากได้ะเราอยากได้ว่าจงให้แก่เราคนเดียวจงให้แก่เรามากจงให้แต่ของประนีตถ้ามีคนอื่นเขามาบอกอย่างเนี้ยถึงจะเป็นเพื่อนพระภิกษุด้วยกันเราจะให้เขาได้จริงหรือเปล่าให้เขาคนเดียวให้มากให้ของดีมันต้องถามใจตัวเองบ้างนะ แต่ไอความโลภเนี่ยมันไม่สนใจนะ่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันก็โลภต่บันไปแล้วมันคิดไม่เป็นมันก็คิดว่าต้องเราอันดับหนึ่งไม่ให้แล้วโกรธแน่มีเรื่องแน่เป็นอย่างนี้ส่วนภิกษุใดมีความคิดอย่างนี้ว่าขอให้ชนทั้งหลายในสกุลอื่นจงให้เราเท่านั้นจงให้เรามากเท่านั้นอย่าให้น้อย อ๋อไ ม, ไม่ไม่ไมไมไมคิดนะต้องไม่คิดนะไม่มีความคิ ด, อ, aciones, อ, คดอย่างนี้ว่าขอให้ชนทั้งหลายในสกุลอื่นจงให้เราเท่านั้นอย่าไม่ให้จงให้เรามากเท่านั้นอย่าให้น้อยจงให้เราแต่สิ่งประนีเท่านั้นอย่าให้สิ่งเศร้าหมองจงให้เราโดยเร็วพันทีเดียวอย่าให้ช้าจงให้เราโดยเคารพเท่านั้นอย่าให้โดยไม่เคารพถ้าคิดก็คิดว่า ถ้าคิดก็คิดว่าขอให้ชนทั้งหลายในสกุลอื่นให้เราเท่า น, นั้นอย่างเนี้นะมันจะได้ที่ไหนจะได้ตามใจที่ไหนคิดแล้วก็คิดด้วยความไม่โลภตนเองหรือคิดด้วยความเข้าใจความจริงนั่นเองว่าเรื่องทั้งหมดนี้จะพึงได้แต่ที่ไหนดังนี้แล้วเข้าไปสู่สกุลภิกษุทั้งหลายนะถ้าเมื่อภิกษุมีความคิดอย่างนี้เข้าไปสู่สกุลชนทั้งหลายไม่ให้ก็ไม่อึดอัดไม่โกรธไม่เสวยทุกข์ โมนัสซึ่งมีข้อนั้นเป็นเหตุชนทั้งหลายจะให้น้อยไม่ให้มากจะให้ของไม่ดีก็ไม่เกิดความทุกข์ใจนะจะให้โดยความไม่เคารพก็ไม่เกิดความทุกข์ใจเพราะอะไรเพราะคิดไว้ถูกต้องก่อนแล้วเนยโยนิโสมณะสิการคิดไว้ถูกแล้วว่าชนทั้งหลายเนี่ยจะมาให้อย่างที่เราปรารถนานะ่ยมันไม่มีก็เขาจะให้อย่างไรก็ได้ เราก็ไม่ต้องไปหวังไม่ต้องไปปรารถนาเพราะฉะนั้นเมื่อไม่หวังไม่ปรารถนาก็จะไม่ได้ความทุกข์อาต จ, จมาไปบินทบาทก็ไม่ได้อยากได้หรอกไอ้น้ำที่จะตาําเท้า่ะแี่ยมันได้นะเดินเดินไปก็โดนหนามตําเมื่อเช้าก็โดนสะดุ้งเพลือกเลยก็นึ่จะโกรธก็ไม่รู้จะโกรธใครน ะ, อะเอ๊ะใครเอาหนามมาวางไว้แถวนี้หรือเปล่าก็คงไม่ใช่ สิ่งที่ไม่น่าปรารถนาเนี่ยมันมาได้ทั้งนั้นมันเป็นวิบากนะเป็นวิบากกรรมที่เราได้ทำเอาไว้จะได้ของต่างๆเนี่ยก็คือได้วิบากนั่นเองได้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วแต่วันนี้ได้ดีพรุ่งนี้ก็อาจจะได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นจะไม่มีความทุกข์ใจโทมนัสใจเพราะเหตุแห่งการ ไม่คิดในเรื่องที่ไม่ควรคิดนะคือไ ม, ไม่ไม่คิดว่าเขาต้องให้เราอย่างนั้นอย่างนั้นดูกรภิกษุทั้งหลายกัสสปะมีความคิดอย่างนี้คือพระพระมหากัสสปะนี่แหละเป็นบุคคลที่ทําตามคําสอนพระพุทธเจ้าเลยคือมีความคิดอย่างนี้ว่าชนทั้งหลายจงให้แก่เราเท่านั้นอย่าไม่ให้จงให้เร า, ามากอย่าให้น้อยจงให้แต่สิ่งปรนณี้อย่าให้สิ่งเศร้าหมองจงให้เราโดยเร็วพันอย่าให้ช้าจงให้เราเคารพอจงให้เราด้วยความเคารพ อย่าให้ด้วยความไม่เคารพอันนั้นจะพึงได้ในเรื่องนี้แต่ที่ไหนมันจะได้ที่ไหนไม่ได้เราไม่ได้ไปเป็นผู้มีบุญคุณอะไรกับเขานักหนาแล้วเขาเองเขาก็ามีกิเลสเป็นของเขาเขาจะให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้ให้น้อยก็ได้ให้มากก็ได้ตามภาษาของทายกทายิกาแต่ละท่านเพราะฉะนั้น เมื่อเข้าไปสู่ส ก, กุลชนทั้งหลายไม่ให้กับสปะไม่อึดอัดเพราะข้อนั้นไม่ได้เสวยทุกโทมนัสซึ่งมีข้อนั้นเป็นเหตุจะให้น้อยนะจะให้ของช้าให้ของไม่ดีให้โดยไม่เคารพก็ไม่อึดอัดไม่ได้เสวยทุกโทมนัสซึ่งมีข้อนั้นเป็นเหตุภิกษุทั้งหลายเราจะกล่าวสอนพวกเธอให้ตามกับสปะ หรือผู้ใดจะพึงเป็นเช่นกับสปะเราจะกล่าวสอนให้ปะพติตามผู้นั้นพวกเธอไม่ได้รับโอวาทแล้วพึงปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นดังนี้อันที่ท่านมีจิตเป็นอย่างนี้นะเพราะว่าท่านประพืชทุดงมาการปาพืิทุดงช่วยอย่างยิ่งเลยสมาทานทุดงว่าเราจะเที่ยวบินทบาตเป็นปกติไม่รับจิตนิมนต์แล้วก็เที่ยวไปตามลำดับแล้ว่านึกด้วยว่า บุคคลที่ยากจนเราจะไปรับบิทบาทเขาเพราะว่าคนยากจนเนี่ยเวลาให้ทานน่ะมีศรัทธามากจึงให้ได้ปกติคนร่ารวยเนี่ยเวลาให้ทานเนี่ยก็ไม่ต้องอาศัยศรัทธาอะไรมากมายเพราะมันมีทรัพย์มากแต่ว่าคนจนเนี่ยเขามีทรัพย์น้อยเขาจะให้เนี่ยเขาต้องมีปัญญามีศรัทธาเสียสละความเห็นแก่ตัวให้มากซะก่อนนะได้เห็นคุณของทาน เลื่อมใสในผลของทานให้มากหรือว่าเลื่อมใสในคุณของพระภิกษุที่มาบิณฑบาตอย่างนี้ซะก่อนนะจึงจะให้ท่านคิดอย่างนี้เพราะนั้นท่านจึงไม่ต้องไปเดือดร้อนอะไรนี่ก็เป็นเรื่องอพระสูตรกุ ล, กลูประกาสูตรนะกุลูประกาสูตรสูตรว่าด้วยผู้ที่ไม่สมควรที่จะเข้าไปเอ การเข้าไปสู่สกุลของภิกษุบางพวกมีไม่เหมือนกันต่อไปชินนะสูตรว่าด้วยภิกษุผู้ชารากับการนุ่งห่มผ้าบังสุกุลสมัยหนึ่งพระมีพรภาคเจ้าประทับอยู่ณนะพระเวรุวันกรุงรา ช, ชครื้รเวรุวันนี้อยู่ใกล้ๆที่อยู่ของพระมหากัสปะครั้งนั้นแล่ท่านพระมหากัสปะเข้าไปเฝ้าพระมีพระภาคเจ้าท่านเข้าไปเฝ้าแล้ว ถวายอภิวาสนั่งนาะที่ควรส่วนข้างหนึ่งเมื่อพระมหากัสสปะนั่งเรียบร้อยแล้วพระมีภาคเจ้าได้ตัดดังนี้ว่ากัสสปะบัดนี้เธอแก่ชะลาแล้วผ้าปานบางสุกุลเหล่านี้ของเธอหนักไม่น่านุ่งหม่มเพราะเหตุนั้นเธอจงทรงคือนุ่งหม่มคฤหะบดีจีวรจงบริโภคอาหารที่เขานิ ม, มนลและจงอยู่ ในสำนักคือในที่อยู่ของเราคือของพระเจ้าเถอะเพราะว่าแก่แล้วนะแก่มากแล้วท่านอายุก็ปริพัน์ก็ร้อยี่สิบแล้วท่านก็ออกบวชเมื่อแก่ด้วยเพราะมีมีภาระต้องเลี้ยงดูมารดาบิดาจนมารดาบิดาตายนะท่านพระมหากรสปา ก, กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเป็นเวลานา น, านมาแล้ว ้าพระองค์ผู้อยู่ป่าเป็นวัดเป็นเป็นข้อประพฤติประจำชีวิตมาแล้วว่าอยู่ป่าและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดว่ามีคุณมีประโยชน์มีอนิสงส์มากมายเหลือเกินเราไม่เคยอยู่ป่าเนี่ยก็คงไม่รู้หรอกแต่ผู้ที่ไปอยู่แล้วมีปัญญาจะเห็นได้เป็นเวลานา น, านมาแล้วท่านเป็นผู้เที่ยวบินทบาตเป็นวัด แกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้เที่ยวบินธบาตเป็นวัดเป็นเวลานา น, านมาแล้วเป็นผู้ทรงผ้าบางสกุลเป็นวัดคือผ้าเปื่อนฝุน่นผ้าที่เขาทิ้งไปตามกองขยะตามป่าเดี๋ยวนี้ก็คงจะหายากนะแต่จะหาจริงก็คงจะพอหาได้แต่ไม่เห็นมีอาตมาก็ไม่เห็นมีพระไ ป, ไปชักผ้าบางสกุลตามกองขยะหรือเปล่าเดี๋ยวนี้คงจะชักยาก้วยเพราะว่ามีอาชีพหาของตามกองขยะ เดี๋วจะไปแย่งผ้ากันซิแต่ว่าท่านทำนะสมัยก่อนนี้ทำและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้ทรงผ้าบางสุกุลสุกุลบางสุกุลไม่ว่าเปื้อนฝุ่นเป็นวัดเป็นเวลานานมาแล้วเป็นผู้ทรงไตรจีวรผ้าไตรจีวรเป็นวัดคือไ ม, ps. Ps ไม่ไม่ถือผืนที่ส네ี่นะใช้สามผืนและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้ทรงไตรจีวรเป็นวัด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 และกล่าวสนับสนุนคุณแห่งการปรารบความเพียนดังนี้ท่านท่านบอกว่าท่านทำมานานแล้วนะไม่ใช่เพิ่งมาทำแล้วก็ได้กล่าวสนับสนุนอยู่ด้วยซึ่งคุณความดีคือข้อทุดงวัดเหล่านี้พระพุา ค, าคเจ้าตัดถามว่าดูก่อนกับสปะก็เธอเล็งเห็นอำนาจประโยชน์อย่างไร จึงได้เป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดสิ้นกาลนานแล้วก็อย่างอื่นอื่นอีกนะที่ท่านประพฤติประมาณ8ดข้อเนี่ยเป็นผู้เที่ยววินทบาทแล้วก็สรรเสริญด้วยจนกระทั่งถึงผู้ป ร, รบความเพียรและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งการปรารบความเพียรเนี่ยอย่างนี้เราเราระลึกถึงท่านได้นะควาท่านมีความดีอะไรบ้าง แล้วก็เคารพได้ด้วยความศรัทธาเต็มหัวใจไปเลยนี่แหละคือภาษาวกที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญอยู่ทีนี้มีผลอย่างไรหรือมีอานิสงส์อย่างไรฉันเห็นคุณประโยชน์อย่างไรที่ไปทําอย่างนั้นอย่างเราก็เหมือนกันเนี่ยเราไปไปทํางานเราเห็นคุณประโยชน์เราจะได้เงินเดือนเราจะได้มียศเพิ่มขึ้น มาเลี้ยงบุตรภรรยาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้เราจะไปเป็นสอสเพราะเราเห็นคุณประโยชน์ของสสว่าเราจะได้รับใช้ประชาชนม่ว่าไปเองนะว่ากันไปเองคุณรับใช้ ต, ตันหาคุณเองยังไม่พอเลยคุณยจะมาเที่ยวรับใช้ตันหาใครได้นะ <c oughs> อาล้วเร า, เร า, เร า, เราลองมาดูคําตอบของท่านพระมหากรสปะกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพเจ้า เลงเห็นอำนาจประโยชน์อยู่สองประการนะคือเลงเห็นการเป็นอยู่การอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรมนะคือในปัจจุบันเลยความสุขเนี่ยเกิดจากกุศลธรรมจริงๆบุญเนี่ยให้ความสุขจริงๆบุญคือศีลบุญคือภาวนาเนี่ยนะให้ความสุขจริงๆเป็นตัวสุขท่านยังเรียกว่ากุศล เนี่ยข้อปฏิบัติเหล่านี้การอยู่ป่าเป็นวัดเนี่ยให้ความสุขในปัจจุบันเดี๋ยวพระอัฏฐกถาจะอธิบายอีกประการหนึ่งก็คือและอนุเคราะห์ประชุมชนในภายหลังว่าทำชะไหนประชุมชนในภายหลังพึงถึงทิฏฐานุคต น, นุทิฏฐานุคติว่าทิฏฐานุคติคือมีความเห็น ตามหลังว่านะได้ยินว่าพระพุทธเจ้าและพระสาวกผู้ตัดสู้ตามพระพุทธเจ้าที่ได้มีมาแล้วพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นะและก็พระสาวกที่ได้ตัดสู้ตามพระองค์นับไม่ท้วนพระพุทธเจ้าเราก็มีมากนับไม่ท้วนที่นับได้ที่พระพุทธเจ้าพระสมณโคดมแสดงการบำเพ็ญบารมีเสียสงไขแสนกับก่อนก็ยี่บแปดพระองค์เนี่ย แต่ที่นับไปได้มีอีกมากแล้วสาวกผู้ตัดสรู้ตามพระผู้มีพระภาคเจ้าอีกมากมายที่ได้มีมาแล้วท่านเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดเป็นปกตินะเป็นครอประพฤติและกล่าวสรรเสริญคุณแห่งความอยู่ป่าเป็นวัดสิ้นกาลนาน เป็นผู้เที่ยวบินธบาติผู้ทรงผ้าบางสุกุลทรงไตรจีวรมักน้อยสันโดษสงัดจากหมู่ไม่คลุกพลีด้วยหมู่ปา ร, รบความเพียรแล้วก็สรรเสริญสิ่งต่างๆเหล่านั้นสิ้นกาลนานได้ยินอย่างนี้แล้วยังไงละ่ะเราได้รู้อย่างนี้แล้วยังไงพุทธเจ้าประพฤติอย่างนี้ภาษาวกทั้งหลายประพฤติอย่างนี้แล้วจะเป็นอย่างไรท่านเหล่านั้นท่านเหล่านั้นก็คือภิกษุภิกษุณีสามนเณีอุบาสกอุบาสิกา จากปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นข้อปฏิบัติของท่านเหล่านั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขสิ้นกาลนานดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เล็งเห็นอํานาจประโยชน์สองประการเหล่านี้จึงอยู่ป่าเป็นวัดเป็นต้นเพื่อความสุขของตัวท่านเองอย่างหนึ่งเพื่อให้เป็นที่ระลึกถึงของคนเบื้องหลังที่เกิดในชุมชนหลังแล้วก็ทาตาม คือพอได้ยินเรื่องของพระพุทธเจ้าพระท่านประพฤติอย่างนี้อย่างนี้เราเริ่มใส่ก็จะทำตามได้ยินเรื่องของพระมหากระส ป, ปะเทะระ่าพระมหากระส ป, ปะเทระทำอย่างนี้สริเสริญคุณอย่างนี้เราก็จะได้ทำตามคือมันมีแบบฉบับที่เราจะพอมองเห็นได้เหมือนกับสมัยนี้ที่บอกว่าผู้ใหญ่จะต้องเป็นแบบฉบับเป็นพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ที่ดีของเด็กเด็กจะได้ดูเป็นตัวอย่างอันนี้ก็ว่ากันไปนะ แต่ในเมื่อเรานับถือพระผู้มีพระภาคเจ้าพระอริยะสงฆ์และพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรารู้ว่าท่านทำอย่างนี้ท่านสอนอย่างนี้สิ้นกาลนานก็จะได้ทําตามพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสาธุสาธุดีแล้วดีแล้วกัสปะได้ยินว่าเธอปฏิบัติเพื่อประโยชน์แก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุข ชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์แก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายดูกรกษัตสะิะเพราะเหตุนั้นแลเธอจงทรงผ้าบางสุกุลอันไม่น่านุ่งหม่มคือผ้าบางสุกุลเปื้อนฝุ่นเป็นผ้าไม่ดีหนักใช้แล้วก็ลําบากเพราะท่านแก่แล้วมาใช้ผ้าหนังหนักลำบากนะแต่ว่าพุทธเจ้าก็บอกว่าตอนนั้นก็จงทรงผ้าบวงบางสุกุลอันไม่น่านุ่งหม่มจงเที่ยวบินนบาด และจงอยู่ในป่าเถิดชนนี้อันนี้พระเจ้าสาธุเพราะว่าท่านปฏิบัติเพื่ออนุเคราะห์ประโยชน์ให้ประโยชน์แก่ชนเป็นอันมากนะพระอรหันต์ท่านเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าทั้งหลายพยาบุคคลทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายเป็นอย่างนี้นะไม่เหมือนคนพานปฏิบัติเพื่อทําลายประโยชน์แก่ชนเป็นอันมากคนพานจะปฏิบัติว่าท่านทั้งหลายจงเห็นผิด กรรมไม่มีผลกรรมไม่มีตายแล้วศูนย์นะปฏิบัติอย่างนี้สอนอย่างนีนะ้ปฏิบัติให้คนทั้งหลายจเจริญโลภโกรธหลงความเห็นผิดน ะ, จะเจริญอกุศล ต, ต, ต่างๆเจริญกรรมชั่วต่างๆนะปฏิบัติเพื่อความทุกข์ของชนเป็นนั้นมากในคนผ่านทั้งหลายปฏิบัติกันหะ้ความทุกข์ความเดือดร้อนไม่ได้เกิดจากบัตติตไม่ได้เกิดจากพระอรหรันต์ แต่เกิดจากคนพาลทั้งนั้นตัวเราเองก็เหมือนกันถ้าเรามีความเป็นพาลคือโลคโกรธหลงเกิดขึ้นเราปฏิบัติเพื่อทําลายประโยชน์เพื่อความทุกข์ให้แก่ตัวเองไม่ต้องไปเที่ยวโทษใครไม่คนพาลก็ปฏิบัติเพื่อทําลายโลกทําลายสัตว์โลกชาวโลกคือทําลายชาตินี้ไม่พอยังทําลายกันในชาติต่อต่อไปด้วย<ม>อใจมากถ้าเราไปแนะนำว่าเออ ฆ่าสัตว์นี่ไม่บาปหรอกเอามากินเป็นอาหารไม่เป็นไรหรอกกินนิดๆหน่นนอยๆได้บุญด้วยซ้ำสิสัตว์มันได้บุญนะมันทำให้เราอิ่มว่าไปนะก็คุณจะไม่ได้คุณจะนอกจากคุณจะโง่เพิ่มขึ้นแนละ้วชาติต่อๆไปคุณยังจะต้องถูกฆ่าอีกนะคุณจะต้องไปได้รับทุกข์อีกนั้นคนพาล น, นี่ก็ปฏิบัติเพื่อทำลายโลกนะ ไม่เพื่อเกื้อกูลไม่เพื่อประโยชน์ไม่เพื่อความสุขแก่ใครทั้งเทวดาและมนุษย์นี่ไม่มีเลยคนพานทั้งหลายคนมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายคนประพฤติอกุศลกรรมบทสิบทั้งหลายทุจริตทางกายวาจาใจครบเนี่ยทำลายโลกจริงๆเพราะฉะนั้นเราอยากจะอนุเคราะห์ตัวเราเองไม่ต้องไปอนุเคราะห์ใครมากหรอกก็ตนะ้อง ปฏิบัติเพื่อกำจัดความโลภโกรธหลงนี่แหละเพราะอันนี้มันเป็นเหตุแห่งการทําลายประโยชน์ของมนุษย์อย่างที่สุดนะแล้วทีนี้มีคำอธิบายในจบชินสูตรนี่แล้วนะเดี๋ยวใครจะถามคำถามเราจะให้เวลาพระเถระชินโน่นแปลว่าแก่พระเถระเนี่ยเป็นผู้มีอายุมากแล้วแก่แล้วแล้วก็นุ่งผ้าป่านที่เป็นผ้าหลายชั้นเป็นของหนัก เย็บด้วยได้ด้วยผ้าในที่ที่ชํารุดมือหมายความว่าพักผ้าขาดแล้วก็ปะปะหลายแห่งมากก็เลยยิ่งหนักเข้าไปอีกไม่ใช่ผ้าพื้นเดียวแล้วคือมีผ้าปะเข้าไปเพิ่มเข้าไปอีกก็หนักหลายแห่งจําเดิมแต่เวลาที่ท่านได้ผ้าจากพระผู้มีพระภาคเจ้าคือพระพุทธเจ้าในให้ให้สังขติแก่ท่านนะสังขตินี้ได้มายังไงแล้วพระพุทธเจ้าได้มาอย่างไรพระพุทธเจ้าได้ชักผ้าบางสกุลนี้จาก นางบุณณธาสีชักมาแล้วใช้แล้วก็นำมาเปลี่ยนกับพระมาหากัตรพระมาหากัตริก็ใช้มานานก็ปะผ้าเพราะว่ามันมีความประทับใจเคารพทราบซึ้งในพระคุณพระพุทธเจ้าเพราะว่าไม่เคยประทานผ้าสังาติผ้าจีวรให้แก่ภิกษุรูปใดเลย ไม่เคยไม่มีปรากฏเป็นเป็นบรรณาการพิเศษที่แสดงพระพุทธเจ้าทรงทรงสละเสิญคุณของพระมหากษัตริเทละนะว่ามีคุณมากจริงๆผ้นะานั้นเก่านะเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงนุ่งมาก่อนแล้วก็เลิกไป พระพุทธเจ้าบอกให้พระมหากัสริะนี้เลิกผ้าบางสุกุลนะให้มานุงห่มผ้าที่ค้าระมหาบดีเขาถวายเพื่ได้เบาๆสบายๆนะแล้วก็ให้เลิกบินธบาตให้ไปรับสลา ก, กรพัตไปรับกิติมลไม่ต้องไม่ไมต้องลําบากพระบินธบาตในลําบากมันต้องเดินไปในที่ไกลในที่ที่สกปรกอะไรอย่างเนี้ยนะ ให้ไปรับกิจนิมน์ล้วสบายสมัยนี้ยิ่งสบายใหญ่มีรถมารับแต่ไปเจอรถติดเข้าก็อาจจะไม่สบายก็ได้นะอาจจะฉันเพลิไม่ทันก็ได้ก็ท่านก็ไม่ไม่ทํานะแล้วก็ให้เลิอกอยู่ป่าเป็นวัดนะให้อยู่ในที่ใกล้ๆบ้านมีคําถามว่าก็พระราชาทรงตั้งเสนาบดีในตําแหน่งเสนาบดีเมื่อเสนาบดีนั้น ทำงานให้พระราชาทรงยินดีในหน้าที่ของตนมีความจงรักภักดีต่อพระราชาพระราชาทรงเอาตำแหน่งนั้นไปพระราชทานแก่คนอื่นชื่อว่าทรงกระทำไม่สมควรฉันใดเขาทำดีแล้วกลับเอายศไปให้คนอื่นพระศ า, ศาสดาก็ฉันนั้นเสด็จไปเป็นระยะทางสามขาวุธิสามขาวุธินี่ยคืสิบสองกิโละนะเพื่อไปต้อนรับพระมหากาัตเถระ ประทับที่โคนต้นพระหุปุตตะระหว่างกรุงราชครึกกับนาลันทาทรงให้โอว่าสามข้อแก่พระมากัะสปะแล้วทรงเปลี่ยนจีวรของพระองค์กับพระมหากระสปะเทระนั้นได้ทรงทําให้พระเทระให้อยู่ในป่าตามธรรมชาติเป็นปกติเป็นวัดและให้ทรงผ้าบางสกุลตามธรรมชาติเป็นวัดเมื่อท่านยังพระไทยของพระาศาสดาให้ทรงยินดีอยู่ ด้วยการประพฤติตามนะตามพระผูมีภาคเนี่ยพระศาสดาพระองค์นั้นทรงให้เลิกทุดดงนะทรงชักชวนให้มีการรับผ้าจีวรให้เลิกอยู่ป่าอย่างนี้เนะี่ยพระพุทธเจ้าถือว่าทรงกระทําที่ไม่สมควรใช่หรือไม่เนี่ยทันฐานอย่างเนี้คื อ, อยปกติเราตั้งใครให้เป็นศสนาบดีแล้วเขาทํางานดีเขามีความจงรักภักดีแล้วก็เอา้าคุณทํางานดีมามากแล้ว ตอไนี้คุณพักคทจีจะเอาตำแหน่งนี้แ บ, บ่งคนอื่นเขาสมควรหรือไม่นายกนี้ดีก็ไม่ต้องเลือกเลือกนายกใหม่เพื่อเพื่อจะเปลี่ยนดูอะไรอย่างเงี้ยสมควรไหมท้าวเจ้าทรงกระทาสิ่งที่ไม่สมควรไม่ใช่หรือเขาถามตอบว่าทรงไม่กระทำไม่ได้กระทําสิงหรือไม่สมควรถามว่าเพราะเหตุไรจึงไม่กระทำตอบว่า ก็เป็นอัจฉริยะใของตนอัจฉริยะใของตนเนี่ยหมายความยังไงแท้จริงพระาศาสดาจะทรงให้พระเถระเลิกทุดงก็หาไม่ได้ไม่ใช่นะไม่ใช่อย่างนั้นเปรียบเหมือนกรองถ้ายังไม่ได้ตีก็ยังไม่ดังฉันใดทรงประสงค์จะให้พระเถระบัรลือศีหะนาดคือศีหะ คือราชสีเนี่ยราชชากับเวลาชานะเพื่อเป็นใหญ่เนื้อสัตว์ทั้งหลายในยเวลาเขาคำรามเนี่ยเขาไม่กลัวใครไม่กลัวใครจะเข้ามาท้าสู้กับเขานะราชสีชั้นใดก็ดีพระเถระจะได้บรรลุสีหานาฏนะกล่าวคำออกมาประสงค์ประสงค์ะงจะให้พระมาหากระสปะเถระเนี่ยกล่าวคำที่สรรเสริญ ความดีของธุดงประโยชน์ของธุดงออกมานะด้วยความเคารพตััทาอันแรงกล้านในธุดงนะเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงดำริว่าคนเห็นปานนี้ยังไม่ถูกกระทบย่อมไม่ประหลือศีนานนะคือบุคคลเช่นพระมหาอักษรปานนะ ถ้าพระพุทธเจ้าไม่ถามเนี่นะถ้าไม่บอกให้เลิกเนี่ยจะไม่กล่าวนะเพราะว่าปกปิดคุณของตนอยู่เป็นผู้มักน้อย